รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไรโดยพ่อครูสมณะโพธิรัตษ์47ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรคของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร47ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรคของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ โดยพ่อครูสมณโพธิรักในสังคมคนควรเป็นสังคมที่มีธรรมะจึงจะเป็นสังคมเจริญอยู่เย็นเป็นสุขปกติสามัญคนทุกคนก็อยากเป็นคนที่มีธรรมะกันทั้งนั้นเป็นธรรมดายกเว้นคนจิตวิปริตที่จะไม่เอาธรรมะธรรมะของศาสนาพุทธนั้นมีทฤษฎีที่สมบูรยิ่ง ผู้ศึกษาอย่างสมมททิฏฐิแล้วปฏิบัติให้สัมมาปฏิบัติจนถึงขั้นทำใจในใจของตนได้ท่องแท้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือโยนิโสมณสิการก็จะได้ธรรมะสมควรแก่ธรรมในวงเล็บธรรมานุธรรมะปฏิปติถามกันมากว่าสัมมททิฏฐิคืออะไร จะเริ่มปฏิบัติธรรมะอย่างไรการปฏิบัติธรรมะนั้นจะเริ่มกันที่ตรงไหนจึงจะได้เป็นคนมีธรรมะกับเขาบ้างตอบได้ทันทีก่อนอื่นว่าศา ส, สนาพุทธนั้นเริ่มต้นปฏิบัติอยู่กับทุกอิริยาบทของตนเองนี่แหละปฏิบัติได้ทุกเมื่อไม่ต้องหาสถานที่พิเศษเพื่อปฏิบัติธรรมะต่างหากที่ไหนเลย สมาธิแบบพุทธทำได้ในทุกขณะที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ฌานแบบพุทธก็ทำได้ทุกเวลาตราบที่ยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วมีสติสังวรในวงเล็บอาณาปานสติไม่ต้องหยุดอยู่นิ่งๆไม่ต้องพักการงานใดๆเลยเหมือนอย่างที่เขาปฏิบัติ ฌานสาธารณะแบบทั่วไปที่รู้ที่ทำกันแพร่หลายส่วนสมาธิตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทำการงานไปด้วยปฏิบัติธรรมให้เกิดสัมมาสมาธิไปได้ตามมรคอันมีองแปดแต่วิธีปฏิบัติที่เกิดสัมมาสมาธินั้นพระพุทธเจ้าปฏิบัติมรคเจ็ดองในวงเล็บเจ็ดองนะ ไม่ใช่วิธีหลับตาเข้าไปสู่พวังปฏิบัติมรคเจ็ดองค์คือปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมัมตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสาัมมาสติไปด้วยกันในขณะที่มีชีวิตประจำวันสามัญ น, นี่เองผู้สนใจดูหลักฐานจากพระตรปิฎก เล่ม14ข้อ252ถึง281มหาจัตตารีสักสูตรชนีแลการทำสมาธิที่ปฏิบัติแบบพุทธเพื่อได้ธรรมะไปถึงที่สุดนิพพานซึ่งปฏิบัติในขณะมีชีวิตเคลื่อนไหวทำกรรมกิริยาอยู่ปกติธรรมดานี้เองด้วยการสมาทานศีลตามฐานะแต่ละคน แล้วปฏิบัติสติปฐาน4สัมมาปทาน4อิทิบาท4ดำเนินมักก่อเกิดผลสั่งสมตกผลึกลงเป็นอิน 5, รี่ห้าพละห้าอยู่บนฐานปฏิบัติโพชง7มัก8นี่แหละหลักปฏิบัติครบองค์รวมของโพธิปัจฉิยธรรม37ซึ่งไม่แตกต่างไปจากการปฏิบัติ จาร纳ะ15วิชา8หรือไตรสิกขาเป็นต้นแม้แต่ปฏิบัติทานศีลภาวนาก็การปฏิบัติเยี่ยงเดียวกันถ้าเข้าใจการปฏิบัติแบบพทธอย่างสัมมาทิฏฐิอันเป็นการปฏิบัติได้ทั้งในการคิดก็คิดได้พิจารณาให้เป็นสัมมาสังกัปปะจะพูดก็พูดได้ แต่ต้องทำสัมมาวาจาให้เป็นผลจะทำงานทำการใดๆก็กระทำไปแต่ต้องทำให้เป็นผลสัมมากรรมตะจะทำอาชีพก็ทำไปแต่ต้องทำให้สัมมาอาชีว ะ, จะเจริญสู่ผลถึงขั้นสูงสุดให้ได้ด้วยการมีสัมมาวายามะและสัมมาสติเป็นองค์รวมช่วยงานกันไป สัมมาทิฏฐิที่เป็นประธานในการปฏิบัติมรักอันมีองค์8จึงจะสะสมผลเป็นเอกกัคตาจิตที่มีผลของสมาธิแบบพุทธแน่นอนว่าผลจิตย่อมแตกต่างจากเอกกัคตาจิตที่มีผลของสมาธิสามัญทั่วไปซึ่งแพร่หลายกันอยู่ทั่วโลกสมาธิสามัญ น, นั้นมีมาเก่าแก่นานกาลและมีอยู่ประจำโลก เป็นสมาธิสาธารณะสมาธิหมายถึงอะไรสมาธิหมายถึงภาวะจิตนั้นแข็งแรงตั้งมั่นจากการปฏิบัติฌานแล้วจิตสะอาดจากนิวรณ์หจึงสะสมจิตชนิดนี้ตกผลึกลงเป็นจิตตั้งมั่นที่ศัพท์เรียกว่าสมาธิในวงเล็บมีอธิจิตนั้นอยู่เสมอซึ่งในความเป็นฌาน ก็มีสองแบบแบบสามัญแพร่หลายทั่วไปในวงเล็บเมดิเ t ชันที่ปฏิบัติแบบหลับตาเพ่งกสินเป็นต้นนี่ก็แบบหนึ่งส่วนของพระพุทธเจ้านั้นก็ปฏิบัติอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบหลับตาปฏิบัติแต่ลืมตาปฏิบัติในวงเล็บซ p ปราคอน e ซ t r a รชันมีสัมผัสเป็นปัจจัยนี่เอง ตามหลักจารณา15วิชา8ก็ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่ม9ทุกสูตรเริ่มตั้งแต่พรหมจาระสูตรก็เริ่มทรงชี้ให้รู้จักทิฏฐิทั้งหลายในโลกก็มีมิจฉาทิฏฐิอยู่62เท่านั้นจากสูตรนี้ประจนถึงสูตรสุดท้ายอีก12สูตรล้วนก็คือ ล, ล้วนคือหลักปฏิบัติไตรสิกขาหรือเสขปฏิปทา อันมีจารณะ15วิชา8หรือโพธิปัจิยธรรม37ที่เกิดฌานแล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาตามแบบพุทธทั้งสิน้นสัมมาสมาธิของพุทธจึงเป็นทฤษฎีเฉพาะหนึ่งเดียวในโลกแบบพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีในลทัทธิอื่นจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นชื่อเฉพาะของสมาธิแบบพุทธ เป็นการทำสัมมาสมาธิทั้งในขณะคิดก็ทำสมาธิทั้งในขณะพูดก็ทำสมาธิทั้งขณะกระทำการงานใดๆทั้งหลายก็ทำสมาธิแม้ที่สุดการทำงานอาชีพก็ทำสมาธิอยู่ในชีวิตปกตินั่นเองจึงเป็นการทำสมาธิที่ปฏิบัติอยู่ทุกขณะทุกสถานที่ทุกกรรมกิริยาได้ตลอดเวลา จนกว่าจะบรรลุธรรมมีสัมมาสมาธิสูงสุดจิตเป็นสมาหิตจิตในวงเล็บจิตตั้งมั่นแล้วก็จบกิจเป็นจิตนิพพานจิตอรหันคนนั้นก็เป็นผู้มีธรรมะเต็มอย่างเที่ยงแท้ในวงเล็บนิจจังยั่งยืนในวงเล็บทุวางตลอดไปในวงเล็บสัตสะตังไม่แปลเปลี่ยนเป็นอื่นในวงเล็บ อวิปรินามธรรมังไม่มีอะไรจะมาหักล้างได้ในวงเล็บอสังหีรังไม่กลับกำเริบในวงเล็บอสังกุปปังจึงจบกิจจริงไม่ต้องปฏิบัติธรรมให้ตนอีกนี่คือมีธรรมะเต็มอย่างสมบูรณ์แท้ไม่มีเสื่อมอีกแล้วไม่มีพร่องอีกเลยเออธรรมะมีพร่องมีเต็มด้วยมีส อย่างนั้นจริงๆมีเสื่อมได้มีเต็มได้เกิดเป็นคนผู้ได้ชื่อว่าอารหันเป็นคนมีดีสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐอยู่ในโลกอรหันนั้นมีดีวิเศษสองอย่างชัดๆที่เป็นทั้งแก่ตนแก่ท่านในวงเล็บที่จริงมีดีมากกว่านี้ได้แก่ หนึ่งตนเองสิ้นทุกข์ในวงเล็บสิ้นกามมาสุขลิกะหมดความลำบากใจในวงเล็บหมดอัตตกิลมทะสองเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์แก่คนทั้งหลายช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ด้วยความเมตตาเอนดูเอนดูเสมอในวงเล็บโลกาณุกรรมปายะ ไม่ใจดำไม่ดูได้เพราะคนเป็นอรหันต์ความขี้เกียจก็หมดไปจากตัวท่านสิ้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากในวงเล็บพระหูชนะหิตายะแท้แท้และประโยชน์แก่และประโยชน์ที่ท่านทำให้แก่มวลชนเป็นอันมากก็เป็นการทำให้มวลหมู่ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในวงเล็บพระหูชนะหิตะ ในวงเล็บพระหุชนะสุขายะอย่างประเสริฐอีกด้วยนะซึ่งเป็นความสุขชนิดที่สงบอบอุ่นเต็มไปด้วยการเกื้อกูลอารีกันซึ่งเป็นความสุขชนิดที่สงบอบอุ่นเต็มไปด้วยการเกื้อกูลเอื้ออารีกัน <c oughs> แม้จะไม่รวยไปด้วยลาบยศสรรเสริญ โ, โดยเฉพาะสุขที่ไม่ประกอบไปด้วยกามและหรือไม่มีอัตตาในวงเล็บทั้งสองส่วนอรหันต์จึงไม่ใช่ผู้ปลีกหนีอยู่แต่ผู้เดียวแต่เป็นผู้อยู่กับสังคมช่วยสังคมอยู่จริงชีวิตจึงมีแต่รับใช้ผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆ เพราะท่านเป็นสตบุรุษ ต, ตัวจริงย่อมมีสั ป, ปุริสธรรมเจ็จึงทำงานรับใช้สังคมอยู่ด้วยมหาประเทศ 4, สี่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ใจจริงๆรับใช้นี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่เป็นเรื่องเห็นแก่ผู้อื่นแท้ๆช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นจริงๆแล้วมันไม่ดีหรือฉไฉน มันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ควรทำอย่างยิ่งมิใช่หรือดังนั้ น, ก า, า น, น, น, น, นการทำงานอันเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าเป็นคุณค่าแก่ความมีชีวิตของคนที่จะได้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไม่มีทุกข์ย่อมดีแน่แท้ศีลบางข้อว่า เว้นขาดจากการประกอบธุตกรรมและการรับใช้คำว่าเว้นขาดการรับใช้นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนหรืออย่าอนุเคราะห์ผู้คนชนทั้งหลายแต่การช่วยเหลือเกื้อกูลนั้นถ้าเป็นการช่วยให้คนมีกิเลสเพิ่มขึ้นเอออย่างนี้ไม่ควรช่วยอย่าทำอย่ารับใช้นั่นก็ถูกแล้ว หรือชัดๆง่ายๆก็คือช่วยให้คนหลงหรือช่วยให้คนติดยึดอยากได้เงินได้ลาบยศสรนเสริญโลกิยสุขเพิ่มขึ้นก็ไม่ควรช่วยถ้าอย่างนี้แน่นอนว่าไม่ควรรับใช้ในวงเล็บไม่ควรช่วยแต่ถ้าช่วยให้คนลดกิเลสลดหลงเงินหลงลาบยศสันเสริญสุข คือหลงโลกธรรมช่วยจนทำให้ดับสิ้นอนุสัยไปจากจิตใจโดยทำงานช่วยผู้คนทำให้เขารู้เท่าทันแล้วสร้างสรรอย่างดีอย่างควรและดับกิเลสได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าช่วยคนเช่นนี้ ไม่ใช่การรับใช้อันไม่ควรแน่นอนแต่ควรรับใช้อย่างยิ่งตัางหากใช่ไหมเพราะธรรมดาปุถุชนหรือคนสามัญอวิชชาอยู่ทั่วไปนั้นคือผู้ทํากิเลสใส่ตนผู้ล่าโลกะธรรมอยู่ตลอดเวลากิเลสจึงปุถุหมายความว่ากิเลสจึงหนากิเลสจึงอ้วนกิเลสจึงมากขึ้นอยู่เสมอ ปุทุปแปลว่าหนาอ้วนมากใหญ่โตคนผู้อวิชชาไม่รู้ตัวหรอกว่าตนเองสร้างกิเลสใส่ตอนอยู่ตลอดเวลาและทำและทำอย่างไม่เว้นวักและทำอย่างไม่วักเว้นก่อกิเลสเกือบทุกวินาทีคือโง่เพราะปุถุชนไม่รู้ว่าปกตินั้นความรู้สึกของคน ปกตินั้นความรู้สึกของตนถ้าถูกใจกิเลสก็โตขึ้นไม่ถูกใจกิเลสก็โตขึ้นทั้งขึ้นทั้งล่องกิเลสมันโตมันหนามันอ้วนมันใหญ่มันมากขึ้นทั้งนั้นไม่ว่ากิเลสที่ชอบหรือไม่ชอบปุตุชนก็คือคนโง่ขออภัยที่พูดนี้ไม่ได้ด่านะแต่พูดตรงๆซื่ อ, อจะความจริง ซึ่งตั้งใจให้หมายถึงคนผู้ยังอวิชชาดังนั้นคนอวิชชาจริงจะทำกิเลสใส่ตนไม่เคยหยุดเพราะความไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้จริงๆเพราะอาวิชชาในวงเล็บโง่ไม่รู้ผู้บำเรอกามอยู่ก็กิเลสโตขึ้นกิเลสหนาขึ้นผู้บำเรอ อัตตายอยู่ก็กิเลสโตขึ้นกิเลสหนาขึ้นล้วนคือคนผู้ชื่อว่าปุถุชนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดยิ่งในธรรมจักรกับวัตนะสูตร อ, อ, อันเป็นคำสอนบทแรกของศาสนาพุทธว่าคนที่ไม่ใช่อรหันนั้นคือผู้ยังมีสุขเทศกับกามในวงเล็บกามสุขลิกะ และยังลำบากกับอัตตาในวงเล็บอัตตกิลมทะซึ่งภาวะสองอย่างกามกับอัตตานี้แหละคือกิเลส ท, ที่ต้องกำจัดให้หมดสิ้นจึงจะเรียกว่าผู้มีโลกุตรธรรมพ้นปุถุชนขึ้นเป็นอริยชนแล้วก็ตามหากยังเหลือกามก็เป็นผู้มีธรรมะที่ยังไม่เต็มยังไม่ถึงขั้นมีธรรมะสูงสุด การหมดไปแล้วแม้จะเป็นอนาคามีบุคคลแล้วก็ยังมีอัตตาที่เหลืออยู่อีกก็ยังมีอัตตาอีกที่เหลืออยู่ยังจะต้องกำจัดอัตตาที่เหลืออยู่นั้นให้สิ้นเกลี้ยงจึงจะมีธรรมะสูงสุดเป็นอรหรันตุตุชนนั้นปกติก็เป็นผู้มี ปุตุชนนั้นปกติก็เป็นผู้ทำกิเลสใส่ตนให้โตขึ้นให้หนาขึ้นให้มากขึ้นเสมอๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุจึงไม่ควรทาตนให้เป็นภิกษุจึงไม่ควรทาตนปุตุชนนั้นปกติก็เป็นผู้ทำกิเลสใส่ตนให้โตขึ้นให้หนาขึ้นให้มากขึ้นเสมอๆอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นภิกษุจึงไม่ควรทำตนเป็นผู้เพิ่มกิเลสให้ปุถุชนเขาเข้าไปอีกมันทำร้ายเขาหมายความว่าปุถุชนนั้นก็คือคนที่ต้องการกิเลสด้วยความไม่รู้แท้ๆอยู่นั่นเองต้องสงสารเมตตาเขาเพราะเขายังมีกิเลสถ้าภิกษุไปทำให้กิเลสเขาเพิ่มขึ้นอีกโดยเสริมให้ปุถุชนกิเลสหนาขึ้นโตขึ้นมากขึ้น สุกก็เลยไม่ใช่ช่วยเขาแต่ทําร้ายเขาเขาเพิ่มหนักขึ้นนี่ต่างหากการรับใช้ที่ควรเว้นรับใช้อย่างนี้เองที่ผิดศีลเพราะไม่ใช่ช่วยเขารับใช้อย่างนี้ที่ศีลให้เว้นขาดอย่าไปช่วยทําให้เขามีกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่สมควรซึ่งกิเลสก็คือกามและอัตตานี่เอง รับใช้ก็คือช่วยเหลือช่วยในการงานเพื่อให้ประชาชนคนอื่นได้รับประโยชน์คุณค่าถ้าแม้ช่วยทำงานให้เขาได้สิ่งสุจริตที่สมควรแก่ชีวิตดำเนินไปด้วยดีแถมช่วยให้เขาลดกิเลสไปพร้อมด้วยหากเช่นนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคนหากเช่นนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคนให้เป็นหากเช่นนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคนให้เป็นอยู่ดี โลกาณุกรรมปายะจึงไม่ใช่การรับใช้ที่ผิดศีลเลยแต่ตรงกับทำคำสอนคือโลกาณุกรรมปายะต่างหากแต่ถ้าทำงานช่วยให้เขาหลงลาบหลงยศหลงสรรเสริญหลงโลกีสุขอันเป็นโลกธรรมชนิแลคือช่วยผิดก่อกิเลสแก่คนซึ่งทุกวันนี้แม้ผู้ไม่รู้รจะจะทำ ที่เป็นความจริงอันสำคัญนี้ก็เห็นได้อยู่ทั่วไปว่าภิกษุรับใช้ผู้คนคือผู้ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนเขาหลงลาบลงยศหลงสรรเสริญลงในโลกยียสุขที่เป็นกามที่เป็นอัตานั้นมีอยู่เต็มวงการศาสนาพุทธนี่แหละรับใช้ชัดๆเพราะแม้แต่ภิกษุเองแท้ก็ทำคุณอันสมควรก่อน แล้วสอนผู้อื่นจกไม่มัวมองตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสยังไม่ได้การเป็นธรรมทูตหรือทุตกรรมและการรับใช้โลกแม้จะเต็มไปด้วยความเอ็นดูเมตตาในวงเล็บโลกาุกัมปายะแต่ยังไม่ทําคุณอันสมควรก่อนแล้วสอนผู้อื่นก็ไม่มีคุณธรรมถึงขั้นบรรลุธรรม ไม่มีอาริยธรรมที่จะสอนจึงทำให้ศาสนามัวหมองศา ส, สนาก็เสื่อมแน่ๆการประกอบธุตกรรมและการรับใช้ผู้เป็นภิกษุต้องชัดเจนกันดีๆแล้วสังวรกันเถิดภาษาที่ว่าการรับใช้จึงอย่าพาซื่อเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นภิกษุจะไร้คุณค่ากลายเป็นผู้รับใช้หรือช่วยทำ หรือช่วยคนให้เขามีกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มีประโยชน์อันควรต่อมวลมนุษย์เปเชียเพราะเว้นขาดไม่ตรงตามความหมายที่ว่าประกอบทุตกรรมและการรับใช้ดังที่ศีลมีเจตนาลมซึ่งการช่วยผู้คนหรือรับใช้ชาวโลกต้องเป็นคนต้องเป็นคุณค่าดีงามอย่าเพิ่มกิเลสทุตกรรมคือ ผู้ทำการงานอันมีหน้าที่เชื่อมโยงสัมพันธ์หรือผู้เป็นตัวแทนทำหน้าที่รับใช้ชาวโลกหรือมีความเอ็นดูเมตตาช่วยชาวโลกที่ที่บาลีว่าโลกานุกกรรมปายะตลอดที่มีชีวิตอยู่ในโลกจึงเป็นการทำงานที่เป็นประโยชน์อันสมควรอย่างยิ่งช่วยให้ชาวโลกเป็นอยู่ดีมิใช่เรื่องเวลวร้ายมิใช่เรื่องเ็ว มิใช่เรื่องเลวร้ายแต่อย่างใดเพราะเรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงในตนว่าเรามีวิชาแปดวิปัสนาญาณหรือญาณทัศนะในวงเล็บปัญญาที่สามารถอย่างรู้จิตเจตสิกรูปนิพานของตนเป็นต้นและมีมโนมยิทิในวงเล็บปัญญาที่สามารถอย่างรู้ ริษแห่งวิชาของตนกำจัดกิเลสตนได้จริงหรือวิชาข้ออื่นๆเช่นมีเจโตปริยญาณในวงเล็บปัญญาที่สามารถอย่างรู้ตัวตนกิเลสของตนและรู้ว่าตนทำให้กิเลสลดได้จริงไปตามลำดับจึงรู้ชัดเจนว่าเรามีธรรมะแล้วจริงสมควรแก่ธรรมด้วยอธิศินสิกขา อธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขานี้แลแท้แท้ไม่ใช่ปฏิบัติไปอย่างงมๆมคลํคลมไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริงของปรัมมัทธธรรมดังกล่าวมาคร่าวๆนี้แต่มีญาณอย่างรู้ทั้งความเจริญของศีลความก้าวหน้าของจิตและความจริงของปัญญาที่สามารถอย่างรู้จริง แม้แต่ความเป็นปรมาัตน์ขั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานในวงเล็บอภิธรรมชนีแลคือผู้มีธรรมะแท้มีธรรมะจริงแล้วจึงจะเป็นผู้ให้ทาเป็นทานอย่างถูกต้องชอบธรรมซึ่งชนะการให้ทั้งปวงจริงซึ่งจะเป็นธรรมทูตหรือผู้ทาทุตกรรม ที่ไม่ทำให้ศาสนามัวมองศา ส, สนาจึงจะไม่เสื่อมการเป็นผู้มีธรรมะจึงเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ใดๆในโลกเศรษฐีในวงเล็บรวยแท้เมื่อมีธรรมะแล้วก็แจกธรรมะผู้มีธรรมะจริงจึงจะแจกธรรมะนั้นแก่ใคร จึงจะแจกธรรมะนั้นแก่ใครๆหรือให้ธรรมะแก่ใครๆได้จริงถูกต้องจริงเป็นจริงทำให้บรรลุตามได้จริงคนต้องมีธรรมะต้องได้ธรรมะเป็นทรัพย์เป็นสมบัติในวงเล็บสิ่งที่มีอยู่ในครอบครองทรัพย์สินเพราะโล ก, กุตตรธรรมของพระพุทธเจ้านั้น สเสถียรและยืนนานโลกุตระสมบัติจะเริ่มตั้งแต่มีคุณภาพเป็นอาริยธรรมซึ่งจะเป็นท่าที่ตกผลึกสั่งสมลงเป็นสมาสั่งสมลงเป็นสมบัติที่ไร้รูปร่างในวงเล็บอสริระแต่มีคุณในวงเล็บประโยชน์ส่วนที่ดีความดีผลดี แท้จริงในจิตและสามารถยืนยงคงทนอยู่ถึงขั้นนับได้ว่าแน่นอนในวงเล็บนิยตะสังสมเป็นวิบากจิตมั่นคงไปจนถึงชาติหน้ามั่นคงไปถึงในชาติหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าต่อๆไปธรรมะที่เป็นธาตุโลกุตระนี้คือจิตเป็นอาริยธาตุที่มีคุณสมบัติ ในวงเล็บสมบัติที่เป็นส่วนดีจริงยิ่งกว่าสมบัติที่เป็นธาตุโลกียะเพราะคุณสมบัติของธาตุอาริยจิตนี้เมื่อสั่งสมตกผลึกจนเข้าขีดถึงเมื่อสั่งสมตกผลึกจนเข้าขีดสูงถึงขั้นสุดก็จะเที่ยงแท้ในวงเล็บนิจังยั่งยืนในวงเล็บทุวังไม่แปลเป็นอื่นในวงเล็บอปริ อวออิในวงเล็บอวิปริณามธรรมังไม่มีอะไรหักล้างได้ในวงเล็บอสังหีรังไม่กลับกําเริบในวงเล็บในวงเล็บอสังกุปปังซึ่งเป็นวิบากจิตที่ยั่งยืนไปได้นานตลอดทุกชาติติดตัวเป็นสมบัติประจนกว่าจะปรินิพานเป็นปริเยวสารจึงยิ่งกว่าสมบัติทางโลกใดๆทั้งหลายทั้งสิ้น เพราะว่าธรรมะที่เป็นธาตุโลกุตระสมบัตินี้เป็นสมบัติที่ได้อาศัยวิเศษกว่าประเสริฐกว่าทั้งดีทั้งมีคุณค่าประโยชน์ทั้งจริงยิ่งกว่าโลกียสมบัติและทั้งไม่ทุกโลกุตรธรรมจึงเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นน่าอุตสาหะวิริยะยิ่งกว่าโลกธรรมใดๆ ผู้รู้แจ้งค่าอันวิเศษนี้ของธรรมะโดยเฉพาะที่เป็นโลกุตระธรรมนี้นก็จะภาคเพียรเต็มกำลังให้ตนเองมีธรรมะที่เป็นโลกุต ร, ระเพราะโลกุตระธรรมนี้เป็นทรัพย์ที่สูงยิ่งเหนือกว่าธรรมะที่เป็นกุศลธรรมแม้จะมากจะสูงส่งด้วยโลกธรรมปานไหนเท่าใด โลกุตระนี้ยิ่งกว่าได้ลาบยศสรนเซิญกรรมสุขหรือได้อัตตานั้นจึงแน่ยิ่งกว่าแน่ขอย้ำอย่างสำคัญที่สุดแห่งที่สุดนะว่าสัตว์ตัวใดที่เกิดสัตว์ตัวใดที่ได้เกิดเป็นคนกับเขาแล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่คนน่าจะได้ขอย้ำอย่างสาคัญที่ ขอย้ำอย่างสำคัญที่สุดแห่งที่สุดนะว่าสัตว์ตัวใดที่ได้เกิดเป็นคนกับเขาแล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่คนน่าได้น่ามียิ่งกว่าอื่นใดในมหาเอกภพนั้นคือต้องได้ธรรมะโดยเฉพาะธรรมะขั้นหลุอุตระถ้าได้เกิดมาเป็นคนกับเขาทั้งทีแล้วอยู่ในโลกจนตายไปเปล่าไม่ได้ธรรมะ แม้แต่ธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจมุ่นใช้ชีวิตอยู่แต่กับกิเลสให้มันปั่นหัวเมาไปกับแม้แต่ธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้ <Punch iso> ไม <spe> ่สนใจมุ่นใช้ชีวิตอยู่แต่กับกิเลสให้มันปั่นหัวเมาไปกับมันทุกวินาทีก็ได้แต่กิเลสเพราะชีวิตมีแต่รวย เพราะชีวิตจะมีแต่รวยกิเลสเป็นสมบัติมันมัวเมาเอ า, เอาแต่หลงล่าโลกธรรมได้ลาบก็สุขหลงสุขจมอยู่กับลาบอย่างนี้กิเลสก็โตในวงเล็บปุถุขึ้นเสื่อมลาบก็ทุกหลงทุกอยู่กับลาบอย่างนี้กิเลสในวงเล็บปุถุขึ้น ได้ลาบก็หลงสุขได้ลาบก็สุขหลงสุขจมอยู่กับลาบอย่างนี้กิเลสก็โตในวงเล็บปุถุขึ้นเสื่อมลาบก็ทุกข์หลงทุกข์อยู่กับลาบอย่างนี้กิเลสก็โต ใ, ในวงเล็บปุถุขึ้นหลงล่ายศทุกข์สุขอยู่กับยศก็ในเดียวกันแม้อย่างนี้กิเลสก็อ้วนในวงเล็บปุถุขึ้น ทั้งได้ยศทั้งเสื่อมยศกิเลสเพิ่มทั้งขึ้นทั้งล่องหลงล่าสรรเสริญก็คล้ายกันทุกสุขอยู่กับสรรเสริญไม่ต่างกันจะทุกขจะสุขกิเลสก็ใหญ่ในวงเล็บปุถุขึ้นเยี่ยงเดียวกันลงล่าสุขด้วยกามทุกสุขอยู่กับกามอย่างนี้กิเลสก็มากในวงเล็บปุถุขึ้นฉันเดียวกัน และหลงล่าสุขเพราะอัตตาทุกสุขก็อยู่กับอัตตาอย่างนี้กิเลสก็หนาในวงเล็บปุถุขึ้นขึ้นขึ้นหลงล่ากันอยู่เช่นนี้เองจนชีวิตตายไปสมบัติก็มีแต่วิบากจิตที่รวยกิเลสเพราะแม้จะได้ เพราะแม้จะได้สุขที่อวิชาก็สั่งสมเป็นกิเลสบันทึกใส่จิตเป็นอนุสัยกิเลสก็โตขึ้นอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นมากขึ้นหนาขึ้นและแม้จะได้ทุกข์ที่อวิชาก็สั่งสมเป็นกิเลสบันทึกใส่จิตเป็นอนุสัยกิเลสก็โตขึ้นอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นหนาขึ้นมากขึ้นเหตุใหญ่แท้จริงก็เพราะในใจมินธรรมะไม่ให้ค่าธรรมะ ยิ่งกว่าโลกียสมบัติตลอดชีวิตไม่ได้เข้าวัดเพื่อศึกษาและบำเพ็ญธรรมะเลยจะเข้าไปก็แค่เพียงตามประเพณีในสังคมตามภะษาะโลกโลกไม่ให้ค่าแม้แต่คนที่มีความเป็นภิกษุแม้จําจะต้องเคารพภิกษุก็เพราะจารีดของสังคมเท่านั้นเมื่อไม่ได้สนใจภิกษุก็จะเป็นคน ก็จะเป็นคนขาดการเยี่ยมเยียนภิกสฉะนั้นแม้จะพบภิสษุก็ไม่ใช่เยี่ยมเยียนจึงไม่มีโอกาสจะได้ธรรมะเพราะไม่ได้สนใจจะฟังธรรมะจึงเป็นคนละเลยการฟังธรรมนี่แหละเหตุและปัจจัยที่เป็นไปตามหลักอิทัิปัจ ย, ยตาเมื่อมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เมื่อละเลยการฟังธรรมก็แน่นอน ย่อมไม่ศึกษาในอาทิศีลในวงเล็บอาจจะพอรู้ศีลงูงูป ล, ปลาเมื่อไม่ศึกษาศีลก็ย่อมไม่เจริญในอาทิศีลจึงไม่รู้คุณค่าของศีลของธรรมเห็นภิกษุผู้ศึกษาปฏิบัติมีศีลมีธรรมก็ไม่ให้ค่าจึงเป็นคนไม่มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุที่เป็นเถระ ในวงเล็บพระผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหม่ในวงเล็บพระบวชใหม่และปานกลางในวงเล็บพระทั่วไปความเสื่อมก็หนักขึ้นเมื่อไม่ศรัทธาเลื่อมใสภิกษุไม่นับถือพระภิกษุบ้างเลยเอาแต่เจริญทางโลกมัวเมาในลาบยศสรนเสริญโลกิยสุ มัวเมาในลาบยศสันเสริญสุขโลกีมีแต่เก่งในทางโลกธรรมมีแต่เก่งในทางโลกธรรมมีสมรรถ ะ, ะมีสมถนะฉลาดเฉลียวเมื่อไม่ศรัทธาเลื่อมใสภิกษุไม่นับถือพระภิกษุบ้างเลยเอาแต่เจริญทางโลกมัวเมาในลาบยศสันเสริญสุขโลกี มีแต่เก่งในทางโลกธรรมมีสมรถนะฉลาดเฉลียวดีไม่ดียิงเพราะศึกษาธรรมะเองอีกด้วยรู้ธรรมะเองก็ถือดีในตัวเอ ง, จ, จ, ง, ง, องจิตจึงยิ่งพยองจิตจึงยิ่งพยองถึงขั้นฟังภิกษุผู้รู้ธรรมะแสดงธรรมก็ตั้งจิตติเตียนคอยเพ่งโทษฟังธรรมความเสื่อมจึงยิ่งหนักมากขึ้นอีก ยิ่งต่ำลงต่ําลงต่ํายิ่งยิ่งเมื่อเสื่อมได้ที่จิตใจก็ถึงขั้นสแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้เพราะเห็นพุทธศาสนาไร้ค่าไร้สาระแล้วจึงมีทิฏฐิเป็นอื่นมีความเข้าใจเป็นอื่นมีความเห็นเป็นอื่นมีความรู้เป็นอื่นออกไปจากโลกุตรธรรมจิตใจผู้นี้ขั้นนี้เกือบขาดเชื่อพุทธแล้ว นี่คือออกนอกเขตบุญของศาสนานี้ไปเป็นศาสนาอื่นเป็นความรู้แนวอื่นอาจจะเป็นศาสนาเงินหรือเป็นศาสนาตัวเองหรือเป็นความรู้ของศาสดาอื่นนับถือศรัทธาผู้รู้อื่นคำว่าบุญจึงเป็นแบบอื่นมิใช่พูดแน่เป็นแบบอื่นเช่นไม่เข้าใจคำว่าบุญแปลว่า การชำระออกจากใจไพ่ไปเข้าใจว่าบุญคือตั้งใจให้ตนได้มามากๆจึงกลายเป็นทำใจเอามาให้ตนแล้วถือว่าได้บุญนี่คือนอกขอบเขตบุญไปแล้วเป็นภาวะสแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาพุทธความเสื่อมหนักหนาสาหัสลงมาถึงความเสื่อมขั้นที่หกแล้ว นี่ถือว่าเสื่อมต่าหนักความเสื่อมขั้นที่เจ็ดคือทำสการะก่อนในเขตบุญภายนอกศาสนาพุทธหมายความว่าคนที่มีความเสื่อมจนตกต่ำถึงขั้นนี้ได้สิ้นความเคารพในศาสนาพุทธแล้วจึงไม่เคารพสการะพุทธก่อนเช่นถ้าเจอสิ่งที่เป็นพุทธพร้อมกับเจอสิ่งที่คนผู้นี้ได้หันไปศรัทธาเลื่อมใสใหม่นั้นเข้า ก็จะสการะสิ่งที่เขาได้ศรัทธาก็จะสการะสิ่งที่เขาได้ศรัทธาเลื่อมใสใหม่นั้นก่อนจะเคารพสิ่งที่เป็นพุทธหรืออาจจะไม่เคารพสการะพุทธเลยก็ได้ดังนี้เป็นต้นความเสื่อมเจดข้อนี้เป็นการแสดงถึงความเป็นความเสื่อมเจดข้อนี้เป็นการแสดงถึงความเป็นจริงของใจชาวพุทธทุกคนตรวจดู มันไม่ใช่แค่ความเสื่อมของลาบยศสันเสริญสุขนะแต่ใจมันเสื่อมจากพุทธซึ่งมันเป็นความเสื่อมที่ยิ่งใหญ่ของคนในศาสนาซึ่งมันเป็นความเสื่อมที่ยิ่งใหญ่ของคนในศาสนาพุทธทีเดียวที่ชาตินี้ได้เกิดมาเป็นคนมีความเป็นคนกับเขาทั้งชาติแต่แล้วก็สูญเปล่าจริงๆตายไปไม่ได้อะไรเลยวงเล็บใน ตายไปไม่ได้อะไรเลยในวงเล็บโมคะมิหนำซ้ำหอบกิเลสเป็นสมบัติที่ได้เต็มวิบากจิตสะสมใส่จิตไปแน่นอนมิหนำซ้ำหอบกิเลสเป็นสมบัติที่ได้เต็มวิบากจิตสะสมใส่จิตไปแน่นอนุัย จากที่ตนได้กระทากรรมสแสวงหาล่าโล ก, กรธรรมไปทั้งชาติไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจธรรมะตลอดที่มีชีวิตในชาติที่ได้เกิดมาและตายจากไปมันไม่ได้ธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมอันเป็นสมบัติที่จริงแท้กว่าเพราะวัตถุนั้นหลงหอบมันยังไงเราก็ตายจากมันทิ้งมันไปตรวจ ด, ดูตนเองดีๆเถอะคนทุกคน หากตรวจสอบดูดีๆแล้วจะรู้ตนเองว่าตนเองมีชีวิตเสื่อมตามคำตรัสจริงหรือไม่เช่นข้อหนึ่งในชีวิตตั้งแต่เกิดจนป่านนี้เราได้ไปเยี่ยมเยียนภิกษุซึ่งต้องเป็นการตั้งใจไปศึกษาธรรมะจริงๆกี่ครั้งไม่เอาที่เป็นการไปเยี่ยมเยียนภิกษุด้วยกิจอื่นอันไม่ใช่ตั้งใจไป พพพระฟังธรรมนะตรวจดูดีๆตรวจไปจนหมดทุกข้อทั้งข้อหนึ่งไปจนถึงข้อ7ก็จะเห็นจริงว่าเราคือผู้เสื่อมจากศาสนาพุทธแล้วหรื อ, อยัง7ข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม23าข้อ27 เนื้อความสรุปมาแต่หัวข้อสั้นๆเจ็ดข้อนั้นคืออุบาสกในวงเล็บหรืออุบาสิกาใด 1. ขาดการเยี่ยนเย็นภิกษุ 2. ละเลยการฟังธรรม 3. ไม่ศึกษาในอธิศีล 4. ไม่มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่เป็นเถระทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งปานกลาง หตั้งจิตติเตียนคอยเพ่งโทษฟังธรรม 6. แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้เจทำสการะก่อนในเขตบุญนอกศาสนานี้ตั้งใจพิจารณาให้ชัดๆเจนๆนะที่ว่าด้วยความเสื่อมนี้มันเป็นความเสื่อมของชีวิตคนจริงๆที่คนไม่รู้ว่ามันจริงยิ่งจริงและสำคัญขนาดไหนเท่านั้น มันคือธรรมะที่ไม่เพิ่มขึ้นในคนแต่ละคนในแต่ละชาติที่ได้เกิดมาเป็นคนเพว่ามันเสื่อมไปเรื่อยๆอีกตัางหากในคนชาติแล้วชาติเล่าจนถึงชาติที่เรากำลังมีชีวิตเป็นคนอยู่ที่เรากาลังพูดกันอยู่นี้นี่แหละถ้าใครไม่เห็นว่าที่อัตนา ถ้าใครไม่เห็นว่าที่อาตมากำลังพูดนี้เป็นเรื่องที่ควรสำเนียกสำนึกและต้องตรวจตัวเองจริงๆเพื่อรู้ความจริงและเพื่อแก้ไขตนเองโดยตั้งใจขวนขวายเอาธรรมะกันให้ได้จริงๆไม่เช่นนั้นจะมีแต่เสื่อมแล้วก็เสื่อมต่อต่อต่อต่ อ, ต, อ, ต, อต่อไปอีกนับชาติไม่ไหวความเสื่อมที่ว่านี้ไม่ใช่ธรรมะเสื่อม แต่คนเสื่อมในวงเล็บคือคนที่เป็นพุทธศาสนกจึงทำให้ศาสนาเสื่อมศา ส, สนาเสื่อมคืออะไรคือทฤษฎีหรือคือทฤษฎีหรือหลักการของศาสนานั้นที่ศาสนิกปฏิบัติมันได้ผิดเพี้ยนไปคนที่เป็นศาสนิกจึงปฏิบัติไม่เกิดธรรมะ ตรงตามที่เป็นของตรงตามที่เป็นของาศาสดาแห่งศาสนานั้นๆศนาสนาศาสนานั้นเสื่อมเพราะคนที่เป็นาศาสนิกเสื่อมคนไม่ได้ธรรมะของาศาสนานั้นาศนาสนาศาสนานั้นเสื่อมเพราะคนที่เป็นาศาสนิกเสื่อม คนไม่ได้ธรรมะของศาส น, า, สนานั้นนี่คือศาสนาเสื่อมเพราะคนไม่มีธรรมะนั้นๆหรือธรรมะนั้นๆไม่มีในคนตัวของธรรมะเองจริงๆไม่มีเสื่อมไม่ว่าเมื่อใดเมื่อใดธรรมะเป็นของกลางมีตัวมีอยู่ตลอดกาลนาน จะมีศาสดาเกิดขึ้นมาแล้วจะมีศาสดาเกิดขึ้นมาแล้วค้นหาธรรมะจนเจอในตนของตนได้แล้วตั้งศ า, าสนาให้คนปฏิบัติคนได้ธรรมะตามที่ตัวของธรรมะเองจริงๆไม่มีเสื่อม ไม่ว่าเมื่อใดเมื่อใดธรรมะเป็นของกลางมีอยู่ตลอดกาลนานจะมีาศาสดาเกิดขึ้นมาแล้วค้นหาธรรมะจนเจอในตนของตนได้แล้วตั้งาศาสนาให้คนปฏิบัติคนได้ธรรมะตามที่าศาสนานั้นตามที่าศาสดานั้นนั้นประกาศซึ่งเป็นของแต่ละพระองค์ ก็มีศาสนานั้นๆอยู่ในสังคมโลกเมื่อศาสดาสิ้นชีวิตไปคนหรือสาวกแต่ละศาสนาก็เป็นผู้สืบทอดศาสนานั้นๆเมื่อคนหรือสาวกเสื่อมจากธรรมะ <c oughs> ก็ถือว่าศาสนานั้นๆเสื่อมไปตามสรุปธรรมะไม่มีเสื่อม มีแต่คนจะต้องเอาธรรมะสรุปธรรมะไม่มีเสื่อมมีแต่คนจะต้องเอาให้ได้ธรรม <c oughs> สรุปธรรมะไม่มีเสื่อมมีแต่คนจะต้องเอาให้ได้ธรรมะมีอยู่ในโลกตลอดกาลนาน <c oughs> เพียงแต่ว่าคนผู้ใดจะได้ธรรมะตรงตามธรรมะที่สัจจะ ทรงได้ทรงมีเพียงแต่ว่าคนผู้ใดจะได้ธรรมะตรงตามธรรมะที่ศาสดาทรงได้ทรงมีแล้วนำมาประกาศไว้ในโลกหรือไม่เท่านั้นไม่เช่นนั้นก็คนผู้ใดจะได้ธรรมะตรงตามธรรมะของสาวกผู้ชื่อว่าปัจเจกภูมิก็ดีหรือสยงมอภิญยาก็ดีแม้จะยังไม่ใช่สยัมภูก็ตาม แต่ก็เป็นผู้สืบทอดธรรมะที่ตรงตามธรรมะของศาสดาของพระศาสดาอยู่แท้จนเป็นลทัทธิหรือเป็นศาสนาแล้วมีสมาชิกหรือสาวกสืบทอดต่อไปอีกก็ได้เท่าที่จะรักษาความถูกต้องของธรรมะแห่งศาสนาแต่ละท่านนั้นๆไม่ให้เสื่อมไว้ได้นาน ตามที่ทำได้จริงเท่าใดศาสนานั้นก็อยู่นานเท่านั้นแต่ไม่มีศาสนาไหนที่จะไม่เสื่อมเพราะเสื่อมไปทุกศาสนาตามปกติของไตรรัพชื่อศาสนาอาจจะอยู่แต่เนื้อแท้เสื่อมไปในวาระที่ศาสนาจเจริญวัยในวงเล็บของศาสนาก็จริง และเจริญก็เพราะคนแล้วก็ตั้งอยู่ได้ก็เพราะคนสุดท้ายเสื่อมไปก็เพราะคนศา ส, สนาเองเจริญตั้งอยู่เสื่อมก็เพราะคนทั้งสิ้นมีแต่ธรรมะเองเท่านั้นที่ไม่มีวันเสื่อมศา ส, สนาเสื่อมเพราะคนที่เป็นสาวกเองนั่นเองทำให้เสื่อมก็เพราะคนอีกนั่นแหละ เพราะคนทั้งนั้นที่เสื่อมได้เสื่อมดีเพราะคนทั้งนั้นที่เสื่อมได้เสื่อมดีคนทําให้ศาสนาเสื่อมคนทําให้คนเสื่อมไปจากธรรมะเพราะคนหมางมืนธรรมะคนไม่เอาธรรมะจนคนเอาธรรมะไม่ได้จนกระทั่งคนไม่มีธรรมะในวงเล็บของแต่ละศาสนา ไม่ใช่ธรรมะเสื่อมคนนี่แหละตัวดีเสื่อมจากธรรมะเสียเองจนกลายเป็นทำให้ศาสนาเสื่อมความเสื่อมจึงมีแต่ตัวคนนี่เองเป็นตัวการใหญ่สำในวงเล็บมะคันที่สุดจึงขอเตือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ใครก็เถอะที่ว่ามีชีวิตเจริญนักเจริญหนาอยู่ใครก็เถอะที่จึงขอเตือนพุทธศาสนกชนทั้งหลายใครก็เถอะที่ว่ามีชีวิตเจริญนักเจริญหนานั้นตรวจตัวเองดีๆรู้ตัวเองให้ได้ผู้ที่ได้ตรวจสอบจริงๆ จ, จากคาตรัสของพระพุทธเจ้านี้ แล้วตั้งใจไม่อคติก็จะรู้สัจจะความจริงของตนเองจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงหน้าตาของความเสื่อมตัวแท้ชัดๆถ้าชีวิตเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ27นี้จริงตั้งแต่ความเสื่อมข้อที่หนึ่งไปเรื่อยๆใครมีชีวิตตรงเจ็ดประการนั้นก็น่าเสียดายชีวิต ทั้งชาติที่ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาทั้งทีแม้ผู้นั้นจะรวยล้นฟ้าจเจริญด้วยลาบยศสันเสริญสุขในกามสุขในอัตตาปานใดขนาดไหนก็เถอะแต่ถ้าคุณมีชีวิตเป็นอยู่ตรงตามหลักแห่งความเสื่อมเจ็ดประการนี้ต่อให้คุณรวยลาบยศสรรเสริญสุขในกามสุขในอัตภาพเป็นอภิบรมมหาเศรษฐี เป็นผู้มีอภิบรมมหาอำนาจใหญ่ยิ่งในโลกมีสักระสันเสริญยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ก็มิใช่ดัชนีชี้ค่าความเจริญที่แท้ของคนเลยหากคุณมีพฤติชีวิตตรงตามหลักความเสื่อมเจตประการนี้ของพระพุทธเจ้าแม้คุณจะเป็นเจ้าโลกยิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งขนาดไหนก็ตามถ้าคุณมีพฤติชีวิตตรงตามคำตรัสตั้งแต่ข้อหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วชีวิตคุณก็จะมีพัฒนาการของความเสือ่อมเจริญไปเรื่อยๆจากข้อหนึ่งต่อข้อสองไปถึงข้อเจ็ดโดยไม่ยากเมื่อใดคุณมีพฤติชีวิตตรงตามคำตรัสครบเมื่อใดคุณมีพฤติชีวิต ตรงตามคำตรัสครบถ้วนคุณก็ชื่อว่าคุณคือผู้ไม่มีศาสนาแล้วแม้คุณจะนึกว่าคุณสังกัดอยู่ในชื่อศาสดาแม้คุณจะนึกว่าคุณสังกัดอยู่ในชื่อศาสนาไหนเมื <ME> ่อคุณมีพฤติชีวิตตรงตามคำตรัสครบถ้วนคุณก็ชื่อว่าคุณคือผู้ไม่มีศาสนาแล้วแม้คุณจะนึกว่า คุณสังกัดอยู่ในชื่อศาสนาใดก็ตามแต่ความจริงคุณไม่ใช่คนในศาสนานั้นเลยเพราะคุณมีความเสื่อมเจ็ดประการสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แบบแล้วจากศาสนานั้นๆเพราะคุณไม่มีธรรมะของศาสนานั้นแล้วเต็มสัจจะแห่งความจริงในวงเล็บจบฉบับที่286